พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุดตันตปิฎกสุภสูตรสูตรว่าด้วยการโต้อตอบกับสุภามานพโตเอยบุตรสูตรนี้เป็นภาสิทธิ์ของพระอานนท์เล่าเรื่องว่าพระอานนท์อยู่ในเชตวนารามของอนาถบินธิกะคฤหบดีใกล้กรุงสาวัตถีเมื่อพระผู้มีพระภาคนิพพานแล้วไม่นาน ครั้งนั้นสุภาพมานพผู้เป็นบุตรโตเทยยพระรามพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่างและได้ส่งมานพคนหนึ่งไปนิมนต์พระอานนทให้สงเคราะห์ไปเยี่ยมตนถึงที่อยู่พระอานนทอ้างว่าวันนี้ท่านดื่มยาต่อวันรุ่งขึ้นจึงจะไปครั้นวันรุ่งขึ้นพระอานนทไปเยี่ยมสุภาพมานพจึงถามว่า ท่านอุปถากพระโคโดมผู้เจริญมานานพระโคโดมสันเสริญธรรมะอะไรและชักชวนประชุมให้ตั้งอยู่ในธรรมะอะไรพระอนุนตอบว่าพระผู้มีพระภาคทรงสันเสริญกองศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะและทรงชักชวนประชุมชนให้ตั้งอยู่ในกองศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยนี้ สุภาพมานกถามให้อธิบายถึงกองศีลหรือศีละขันต์กองสมาธิหรือสมาธิขัน์และกองปัญญาคือปัญญาขัน์อันเป็นอริยะโดยลำดับพระอนุนอธิบายกองศีลโดยใจความว่าบุคคลมีศรัทธาออกบวชแล้วเว้นจากทางแห่งอกุศลสิบประการและศีลสามประเภทดังกล่าวแล้วในสามัญญพลสูตร ส่วนกองสมาธิอธิบายถึงการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสํารวมอินทรีย์ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีความสันโดษด้วยปัจจัยคือจีวรบินทบาทชํระจิตจากนิวรนคือธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีห้าประการได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ ส่วนกองปัญญาอธิบายถึงวิชาแปดมีวิปาาัสนาญาณคือญาณเห็นแจ้งสภาวะธรรมตามเป็นจริงเป็นต้นจนถึงอาสวะขยญาณหมายถึงญาณอันธรรมอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานให้สิ้นไปเช่นเดียวกับที่ปรากฏในสามัญญพลละสูตรเมื่อแสดงธรรมจบสุภามานพโตเถอยบุตรสันเสริญธรร ม, มเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิต